ท่านฟังที่กำลังฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่สถานีวิทยุในเกลือของพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ154สถานีหรือว่าที่สถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าว106เนี่ยนะคะเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสรรสนิสนทนาตอนนี้ก็มาถึงช่วงกลางรายการแล้วเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคือช่วงนี้นะคะเราพบกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีด้วยกันค่ะ นักการคะ่คะท่านการอจรย์ปอนค่ะวันนี้มีเรื่องตัวกูของกูคะ่ะ ม, มีคําถามนะคะว่าตัวกูของกูเนี่ยมีคําอธิบายทางธรรมไหมคะแล้วก็ถามตอไปเลยนะคะมีคนบางคนเนี่ยดื้อืเชื่อยากเตือนกันแล้วขนาดเกิดผลอย่างที่เตือนแล้วยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยจะทําอย่างไรดีค ะ, ะคําว่าตัวกูของกูเนี่ย เป็นเป็นชื่อสื่อที่ท่านพุทธทาใช้แล้วก็สังคมก็ใช้กันมากน ะ, ค, ะคือการที่ติดยึดวา่านี้เป็นของฉั น, นถ้าสัพพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าใช้คําว่านี่นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราเนตังมะมะเนโซฮัมมัสมิเนโซเมอาตาคนที่จะเห็นว่าเอ้ยอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของฉันนี่ของฉันนั่นของฉันนี่ก็ของฉันนั่นก็ของฉันคนจะเห็นอย่างเนี้ยได้เนี่ย เพราะว่าเขาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นอัตตาคนจะอยู่เนี่ยจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นอัตตาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นโดยความเป็นสุขที่เขาเห็นว่ามันเป็นสุขเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยโอ้ยนี่ก็เหมือนกันนั่นก็เหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเออดีแฮะเขาก็เลยเห็นมันโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นของที่เป็นสุขการเห็นอย่างเนี้ยเป็น มิจฉาทิฐิเป็นความเห็นที่ไม่ใช่เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่เป็นตัวกูของกูการที่เห็นตัวตนโดยความเป็นอัตตาเนี่ยก็ไม่ถูกละเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาจะทําให้เกิดผลก็คือว่าอนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็คือทําลายความเป็นตัวตัวทำลายความเป็นตัวกูของกูทีนี้สําหรับบุคคลที่มีทิฐิอย่างนั้นสุดตรงเลย แลนะว่าไอ้ น, นี่ฉันจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละท่านมาคนอื่นจะเป็นยังไงไม่สนอย่างนี้นะคนที่มีทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้สอนไว้หลายนัยะนะบอกว่าถ้าเธอถ้าเอาอนัยยะแรกก่อนนะท่านมาจะอธิบายให้ฟังคืออย่างที่ได้พูดไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าถ้าถ้าคิดว่าเราเลึกได้คือถ้าเราเห็นว่าบุคคลผู้นี้เนี่ย กำลังมีความผิดอยู่ทําสิ่งใดที่ไม่ถูกสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งแหละแล้วเกิดความขัดเคืองขึ้นในจิตของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าความขัดเคืองในจิตของเธอเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้วางเสียแล้วให้บอกคนนั้นว่าเธอผิดอย่างนี้อย่างนี้นะให้ละทิฏฐิอย่างนั้นเสียให้คลายความผิดนี้เสียนะให้คลายความขัดเคืองในจิตของเราแล้วให้บอกเขาถ้าเขาเป็นผู้ที่พอจะบอกได้สอนได้ นี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าเขาพูดยากสอนยากถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะเกิดความขัดเคืองขึ้นในจิตของเขาแล้วนะพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าความขัดเคืองในจิตของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้เห็นความที่เขาเนี่ยจะออกจากความผิดได้เป็นเรื่องสําคัญกว่าให้บอกเขาซะ <Okay. S 1> แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ว่ายากสอนยากจริงๆต้องเปลี่ยนกุศโลบายอะไรต่างๆท่านานะแล้วก็จะเกิดความขัดเคืองอย่างมากแต่สุดท้ายสามารถเปลี่ยนได้นะ ให้เห็นว่าความขัดเคืองเหล่านั้นความพยายามเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นแก่การที่เขาจะออกจากความผิดนั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วให้บอกเขาซะนี่คือข้อที่สแต่ถ้าบุคคลแบบที่สี่นะไม่ว่าจะบอกยังไงเขาก็จะเป็นคนบอกยากสอนยากบอกแล้วก็ไม่เปลี่ยนพุทธเจ้าให้ทำใจเป็นอุเบกขาแล้วนิ่งเสีย <Okay. S 1> อ่าแเราก็พิจารณาดูสิว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยอะ่ะเขาเป็นคนแบบไหน ใช่ไหมเขาเป็นคนพอบอกได้ไหมบอกได้แล้วเขาจะเคลืองไหม <c oughs> ต่างๆหรือถ้าเคืองแล้วเขาจะเปลี่ยนได้ไหมอย่างนี้คือให้พยายามถึงที่สุดไม่งั้นเถ อ, อะนะคะด้วยความเมตตาอย่างสูงเลยเนี่ยขนาดว่าบอกแล้วเขาขัดใจนะค<จ>ะเขา<ห>เขัดเครื่องอให้เห็นว่าความขัดเครืองนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่าความขัดเคืองนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่าสิ่งที่เขาจะออกจากความผิดได้เป็นความสําคัญกว่าแล้วให้บอกซะ ให้เห็นความขัดเคืองของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยความขัดเคืองที่เกิดในจิตของเขาเนี่ยให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่าความที่เขาจะออกจากความผิดนั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วให้ตัดสินใจบอกซะอย่างนี้ <laughs> ตีนกำลังข่ําคือตัวเองก็มีประสบการณ์นะคะคือเหมือนกับว่าเราก็จะเจอคนหลายประเภท <c oughs> คนเก่งๆ เ, เนี่ยก็จะอยู่ในประเภทที่ว่า บางครั้งสอนยากจริงๆแล้วก็บางทีเราก็เป็นคนไม่ค่อยขยันสอนออหนักๆเข้าดิฉันก็ข้ามขั้นนะคะไม่ค่อยที่พยายามเท่าไหร่ค่ะมาถึงขั้นสุด<ล>ท้า ย, <ล>ยวางอุบเบกขาเลย<ช>แล้วก็บอกว่าธรรมชาติคือครูผู้สอนผู้ยิ่งใหญ่ดิฉันเข้าใจผิดแล้วป่ะคะถ้ามาเปรียบเทียบ ก, กับทางพุทธธรรมเนี่ยก็ขอให้ธรรมชาติเป็นผู้สอนคนแบบนี้ก็แล้วกันคือเรามามาคิดว่าประเด็นคือตรงนี้ว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ย ถึงต้องไปเกิดที่ประเทศอินเดียอันนี้มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าอ ข, ข, ข, ข, ข, ข, ขอาต้องบอกเธอคือว่าคนอินเดียเนี่ยมีหลายทิฐิหลายความเห็นถ้าไม่ใช่พระุทธเจ้าไปสอนเนี่ยสอนไม่ได้<ม>สาวกสอนไม่ได้ต้องพระุทธเจ้ามีความเก่งระดับนี้เท่า น, นั้นถึงจะสามารถสอนได้ขนาดพระุทธเจ้าเก่งขนาดนี้นะแค่ไม่กี่ร้อยปีพระุทธศาสนาก็หายไปจากอินเดียแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกันว่าถ้าคนคนนี้เขาว่ายากสอนยากบอกสอนไม่ได้ละ ก็รอต่อไปแล้วกันเดี๋ยวก็จะมีคนที่สามารถมาโปรโดเขาได้สอนก็ได้เขาเข้ามาเป็นกรรมเป็นบุญของเขาก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆจิตเราจะต้องไม่ขัดเคืองเราจะต้องไม่กล่าวว่าจะชั่วหยาบเราจะต้องไม่มีจิตอะไรต่างๆนานาที่ไม่ดีต้องมีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลกับบุคคล น, นั้นเท่านั้นเธอบอกว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเน้นให้เรารักษาตนโดยตลอด ไม่ว่าเราจะดําเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องที่เรียบร้อยธรรมดาหรือว่าในเรื่องที่ต้องมีการกระทบกระทั่งหงุดหงิดขัดใจอย่างนี้นเหรอใช่เพราะว่าจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยมีประโยชน์เนียเหรอวะจิตเป็นธรรมชาติที่ที่มีประโยชน์ถ้าเราฝึกเขาดีแล้ว เ, เราสั่งสอนเขาดีเนี่ยเขามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเพราะจิตเนี่ยในทางธรรมเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นนายของกายเนี่ยเป็นนายของสมองเป็นนายของความคิดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถมีอำนาจเหนือจิตเนี่ยจะคิดเรื่องไหนก็คิดได้ไม่คิดเรื่องไหนก็ไม่ต้องคิดได้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสำคัญมากเราต้องฝึกจิตในทางธรรมะพระเจ้าจึงให้ฝึกจิตให้รู้วาระจิตของตนเพราะฉะนั <l> ้นสิ่งอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าเอามาเปื้อนจิต <l> อย่าเอามาเปื้อนจิตเราอย่างสมมติถ้านิ้วเราเนี่ยไปเปื้อนอุจาระสักหน่อยหนึ่งโอ้โหต้องล้างต้องเช็ดต้องขัดต้องพรมน้ำหอมต้องอะไรทุกอย่างค่ะแต่ว่าถ้าจิตของเราเนี่ยอย่าให้เปื้อนสิ่งที่ไม่ดีอะไรเราไม่ดีค่ะ ด่ากันว่าการไม่ดีคิดชั่วหยาบกับเขาไม่ดีคิดร้ายต่อเขานี่ไม่ดีทําให้จิตสกปรกของนั้นในทางธรรมจิตคือนายของกายหรือไงคะจิตเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่อจิตเป็นกายนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะที่ที่สังคมเขาพูดกันทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของจิตเนี่ยก็คือว่า จิตดวงหนึ่งกิขึ้นดูงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนคือวิญญาณนั่นเองคือผู้ที่สามารถเข้ามารับรู้กายเนี่ยคนคนที่จะมาโตมาจนถึงบัดนี้ก่อนได้เนี่ยต้องมีจิตมาก่อนค่ ะ, ะแล้วพอกายนี้แตกดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยเพราะว่าถ้าจิตยังมีเหตุของการเกิดอยู่มันจะต้องไปเกิดอีกเพรา ะ, ะนั้นจิตมันก็วนไปว น, ปนมาอย่างเงี้ยเพรา ะ, ะนั้นจิตเนี่ยเป็นเหตุของทุกอย่างเลยค่ะจิตก็คือคื อ, ค, อคือตัวเดียวกับวิญญาณถูกไหมคะใช่ คือเป็นตัวที่ไปรู้จิตมโนวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกจิตได้ใช่ไหมการคิดนึกอะไรเรื่องอะไรต่างๆเป็นจิตทั้งนั้นถ้าเราฝึกจิตได้เนี่ยจะเป็นการดีค่ะแล้วก็ถ้าคนจะฝึกจิตได้เนี่ยก็อย่าเอาสิ่งที่มันไม่ดีมาเปื้อนจิตเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรล่ะไม่ดีความคิดด่าการความคิดไม่ดีอย่าเอามาเปื้อนจิตการพยาบามเบียดเบียนการพยายามเบียดเบียนพวกนี้ไม่โอืม มีใครพูดคําใดคำหนึ่งขึ้นมาเห็นสิ่ง น, ง น, น, น, งนี้สิ่งนั้นแล้วจี๊ดเห็นสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วไหลไปตามอย่างมากชอบจะเอาอันนี้<ะ>ไม่ดีตรงนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่าคนที่จี๊ดเนี่ยนะคะอตอนแรกก็อาจจะไม่ค่อยจี๊ดแต่หนักๆเข้าแล้วบางทีมีคนชี้นำบอกแมวมันพูดอย่างนี้แล้วจี๊ดเราเลยไปจีดตามเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันนะคะมีสิเพราะว่าเรามีเพื่อนไม่ดีการไปไปจีดตามเขาอย่างนั้นเนี่ย ไม่ใช่แฟชัน่นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคนที่จะมีอํานาจเหนือจิตเนี่ยนะคือคนที่ไม่ไหลไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบะเพราะฉะั้นเราฟังสี่คนที่เข้ามาพูดเนี่ยเขามาพูดน้มน้าวเราเนี่ยหการโฆษณาชวนเชื่อของคนเราอื่นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอย่างที่2ประกอบคือการโยนิโสมนัสิการคือการทําในใจโดยแยบคายถ้าเรามี2 อ, อย่างนี้ประกอบกันเนี่ยเราสามารถเป็นผู้มีสมาธิิได้ค่ะก็ถ้าบอกว่าได้เข้าใจ สองเรื่องพร้อมกันเลยเรื่องตัวกูของกูว่าจริงๆแล้วเป็นคํำที่พระพุทธเจ้าพูดพระท่านเพื่อทาตท่านพูดอยู่บ่อยๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นพุทธวจนะแท้ๆเลยคือพุทธวนะก็คือเนตังมมะเห็นเห็นเนโซฮิมัสมิเนโซเมยะตาไม่เป็นของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตนของเราอเนต่างมะมะคือนั่นก็เป็นเรานั่นก็เป็นของเรานั่นก็เป็นตัวตนของเราก็คือตัวกูของกู ะะต้องอย่าต้องคิดให้ไม่เป็นไม่เป็ น, ป น, นถึงจะหลุดได้แต่วิธีที่จะพบอนัตตาได้นั้นมันก็ต้องทำให้ถูกมาเน้นที่จิตเป็นสำคัญได้ไคะสรุปอย่างนี้เราจะได้สองเรื่องไปปนกันถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะจิตนี่แหละเพราะจิตเป็นกายนายเป็นบ่าวอย่างที่พวกเรามักพูดกันแต่พระพุทธองค์บอกว่าจิตมันเป็นผู้รู้เราก็อย่าไปรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ เป็นไงคะไปสร้างคบสร้างชาติเรื่องที่ไม่ควรรู้ก็คือเรื่องกุกศลธรรมทั้งหลายค่ะอยา่าเอาจิตไ ป, ป, ปลงตรงนั้นนะคะแลวท่านก็จะรอดอต้องพยายามไปเรื่อยๆเพราะเราต้องอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นต้องทำเหมือนคำสอนของพุทธเจ้าให้ได้นี่ดิฉันกำลังบอกตัวเองนะคะทีนี้เรื่องขอ ง, ของจิตมีประเด็นหนึ่งก็คือว่ า, าจิตเนี่ยะมาเปรียบเหมือนกับว่า เป็นเป็นสิ่งที่ถ้าเราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช่อะไรได้บ้างคะเช่นร <S <S. <S เรื่องการเรียนเรื่องการทำงานเรื่องการแก้ไขปัญหานในชีวิตเรื่องครอบครัวทุกอย่างมันมีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเพิ่งแยกย้ายจากคณะญาติมา<อ>ก็ได้พบว่ามีน้องคนหนึ่งเขายัางอายุไม่มาก <S <S. <S เป็นมะเรง็งอนี้นคุณแม่ก็บอกว่าเราเนี่ยตกใจแทบแย่แต่ว่า คนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้เขาดีนะครับปฏิบัติธรรม oh, น้องคนที่ไม่สบายเนี่ยนั่งวิปัสนาได้ครั้งละประมาณ2ชั่วโมงป mm hmm. ลอบคุณแม่บอกคุณแม่ก็ไม่เป็นไรใจเย็นเย็นมันป่วยก็เดี๋ยวค่อยๆรักษากันไปก็เป็นคนไข้ที่มีสติ <Yeah. S 2> ถูกตัดลำไส้ไปเป็นฟุตนะคะก็ mm hmm. เข้าใจว่าคงจะฟื้ น, นตัวได้เร็วอันนี้เป็นอนุภาพของการฝึกจิตคะ uh, คนที่จะมีอายุยืนใช่ไคนที่จะ ถูกต้องโรคคือสิ่งหนึ่งแน่นอนเลยนะถ้ามีกายนี้แล้วเนี่ยนะจะต้องเจอเจอโร ค, คต้องมีแน่นอนคือโรคในสมัยปัจจุบันมีโรคเยอะแยะมากโรคที่ท้องโรคที่หูโรคที่ลําไส้แรงต่างใช่ไหมมัอยู่สมัยหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยมีแค่4ี่โรคคือความหิว ค, ความกระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะนั่นคือสมัยที่คนอายุแ0 0 0มื 80, ่นปีที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ คิดดูนะคนเนี่ยไม่ป่วยเป็นโรคอย่างอื่นเลยนอกจากไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หิวข้าวแต่นั้นเองนะโ้มันดีมากเนี่ยสมัยที่คนมีอายุแปดหมืนปีใช่จะป่วยแค่นี้เองความทุกข์ของร่างกายจะมีเท่านี้อันนี้พุะดงตรัสไว้ใช่ซึ่งพุทธวจนะนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วนะคะเพียงแต่โหนับย้อนไปตอนนั้นมันทีมามาค่ะ เอาแปดหมื่ปีนี่หมายความว่าในอนาคตเนี่ยคนมีอายุยืน8ปด0 0ื่ปีถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องจากนี้ไปอ่ะนะอีกคนก็จะเริ่มมีกุศลธรรมมากขึ้นยังไม่เกิดยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอาเมื่อก่อนมีมาแล้วแล้วตอนนี้มันขาลงขาลงแล้วพอลงต่ําสุดมันก็จะขึ้นใหม่จนถึงจังหวะนั้นเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าชื่อเมตยะมาตรัสรู้คือเมื่อก่อนนี่คนป่วยแค่สี่โรคจริงๆถูกต้องประเด็นก็คือว่าถ้ามีกายนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีโรคเน่ใช่ไหมทีนี้คนที่ พอมีกายนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่จะมีอายุยืนเนี่ยก็คือด้วยเหตุปัจจัยสองสามอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเอาอย่างย่ อ, ยอๆนะที่พระพุทธาตรัสไว้ก็คือเป็นผู้ที่รู้จะรู้ประมาณในการบริโภ ค, คแล้วก็มีเบชนะเบาบางรู้ประมาณในการบริโภคก็คือไม่บริโภคเพื่อเล่นพวกโมเมาแต่เพื่อดับเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นส่วนมี ม, มีเวทนะเบาบางเนี่ยก็คือว่า ปุริชาตรัสว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรวมลงในเวทนาค่ะเพราะฉะนั้นการมีเวทนาเบาๆเนี่ยสุขก็ไม่สุขเกินไปทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากเกินไปค่ะก็ ก, ากลางๆค่ะเพราะว่าที่ท่านพูดมาอย่างนี้ก็เลยนึกถึงปัจจุบันเนี้ยรอบๆตัวถ้าไปตามสถานที่ขายอาหารสุขภาพ <c oughs> ไปร้านหนังสือ <c oughs> เราจะพบเลยนะคะตํำราที่ อ้างอิงภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ว่าวิธีที่จะทำไม่ให้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นหลักถ้าสรุปแล้วเป็นหลักสอ ง, สองหลักนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องรู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็มีเวทนาเบาบางมีเวทนาเบาบางวันนี้จะถามท่านเท่านี้แต่ว่าจะขอลงรายละเอียดในวันอื่น<ด>เผื่อท่านฟังทั้งหลาย ก็ไม่ค่อยเชื่อใครแบนโลกใบนี้เชื่อพุทธเจ้าดีกว่า<ม>วิทยาการใหม่ๆเขาบอกอย่าไปทำเทวนา<ม>เดี๋ยวเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในโอกาสต่อๆไปแต่ว่าวันนี้ในมสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุณโญในนะโอกาสนี้นะคะมห ก, การค่ะท่านฟังค่ะในการของเราเวลาผ่านไปเร็วมากอย่างไรก็ตามยังพอจะบอกได้ว่า ใครที่สนใจคําของพระพุทธเจ้าในเรื่องที่สำคัญมากเลยเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธินะคะที่พระพุทธองค์ใช้เป็นวิหารธรรมมากที่สุดในการที่ได้ปฏิบัติกว่าจะตรัสรู้แม้กระทั่งหลังตรัสรู้แล้วดิฉันก็เชื่อว่าพระพุทธองค์ก็ทําอย่างนี้ น, นะคะ mm. ก็คือเรื่องของอาณาปานสติเรามีหนังสือที่เป็นคาของพระพระพุทธเจ้าล้ว น, วนก็เลยเขียนว่าโดยพระตถาคต แจกให้ท่านผู้ฟังกันวันละหนึ่งเล่ม น, นะคะส่งมาที่0 2 6ย์0 0 6สําหสำหรับความต้องการของคุณจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้ค่ะวันนี้ก็ลากันไปนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวัด ส, สวัสดีค่ะ